อยากนี่หิวนักหิวนาแม่อยากกินของสดๆเข้าข้าวไม่หิวเลยข้าวแสนเบื่อละอ่างนาแม่มองเห็นซ้อมแต่ทีเปรียวเปรียวอะแม่ท่านจะเคี้ยวจะกินเลยนาน้ำลายแม่ก็ไหลนะเพราะอยากสุดจิตนาได้ลิ้มสักนิดแล้วแม่คงจืนอุราส่วนท่านบิดาใหแสน เป็นห่วงว่าแม่พุ่มพวงเราดุดแน่ดังแกวตางนาแม่หิวอะไรเราหางให้ทุกอย่างตามใจน้องนางที่ปลาดท่านางนาอกเอยมอดด้ายนาสงสารอยากเปลี่ยวอยากหวานอยู่ทุกเวลานาเมื่อหิวอ ดังจิตนาโกต้องสมคิดเราจิตปลาดทนากินคำจองคำแล้แม่ก็อิ่มวิ่งเวียนเริ่มนาะจะคลื่นเหียนอาเจียนขึ้นมากองที่หายากแล้วแม่ก็ยิงจะหิวนาะดวงจิตแต่ปรีวแล้ออกจากตาอยางนะาทาให้ได้สมดังจิตเนื้ออุล มานางนะแม่ต้องแพ้ท้องอยู่ถึงสองเดือนจึงพ่อยพลอยเลือนหายจากอุลางนะต้องทนทรมาัวาอกตรมตรอมหล่างกายไายผอมนะจนทั่วกายาสามเดือนผ่านพนล่วงเลยลงไปเริ่มนะกินข้าวได้เลือเล่อยึ้นมางนะแต่ยังไม่ไว้ที่จัง มนมองนะต้องทนอุ้มท้องจะทุกข์ไม่ว่าจน4ี6ห้าหกเจ็ดแปดเดือนผ่านอุทรของท่านก็ใหญ่นะขึ้นมาจนเดือนที่เก้าย่างเข้าผ่านพ้นอกเอยหน้าโมโหเริ่มถึงเวลานะเพราะถึงกำหนดแล้ววนทสมาจวนจะเคลื่อนคลาดเจ้าลูกยางนาเจ็บปวด หลังของแม่ถูกบอยปากนาปล้องโอ้ยพวกนพรนาพวาอยู่เนินนานเอิเราจนละถึงเวลาเจ้าก็คลอดลูกย่างออกมา